ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังคะอัตถกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขโมแปลเรื่องที่สิบแปดกาลิกะวินิชยกถ า, ากถ า, าวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องกาลิกก็คือของที่เนื่องด้วยการ ปัตุสี่อย่างคือพวกอาหารของขบเคี้ยวแล้วก็น้ําผลไม้ยารักษาโรคต่างๆไร่ไกว่าการลิกก็คือเนื่องด้วยการในคําว่าแม้การลิกสี่อย่างนี้เึิ่งทราบว่าการลิศสี่อย่างคือยาวาการลิกหนึ่งยามะการลิกหนึ่งสัตตาหะการลิศหนึ่งยาวาชีวิตหนึ่ง ในการลิ์ทั้งสี่อย่างนั้นขาตัญยะคือของขบเขี้ยวและโภชนิยะคือของคนรแก่การบริโภคอย่างใดอย่างหนึ่งที่ภิกษุพึงรับประเคนก่อนพักแล้วฉันชื่อว่ายาวะกาลิธเพราะเป็นของอันบุคคลคือภิกษุพึงฉันได้ชั่วการกลาวคือเที่ยงวันยาวะกาฤิธ์นี้ฉันได้แค่เพียงเที่ยงวันเท่านั้นถงอย่างเที่ยงวันไปนแล้วฉันไม่ได้แล้ว ปานะแปดอย่างกับพวกอนุโลมปานะเรียกว่ายามะกาลิกเพราะอาจว่ามีเวลาเป็นครู่ยามก็คือได้แค่ยามสุดท้ายเพราะเป็นของที่พิกูุพึงฉันได้ตลอดชั่วยามกล่าวคือปัจฉิ ม, มยามแห่งราตรีเทสัตห้ายามมีเนยใสเป็นต้นเรียกว่าสัตตาหากาลิกเพราะอาจว่ามีเวลาเจ็ดวัน ก็ เ, เป็นของที่พิสุรับประเคสแล้วพุงเก็บไว้ได้เจ็ดวันพวกในข้นในใสน้ำมันน้ําพึ่งน้ำอ้อยห้าอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นสัตหาการฤทิ์มีอยายุได้แค่เจ็ดวันการฤิ์ที่เหลือแม้ทั้งหมดเว้นน้ําที่พิสุรับประเคสเรียกว่ายาวะชีวิตก็ เ, เป็นของที่พิสุพึงรักษาไว้ฉันได้ตลอดชีวิตเมื่อมีเหตุ ยารักษาโรคต่างๆรับประเค้นครั้งเดียวแล้วก็เก็บไป็ฉันได้ตลอดชีวิตเลยแต่ว่าต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุนํายารักษาโรคนั้นมาฉันต้องอันตราทุกกฎแล้วก็ในที่นี้ก็เว้นน้ําเพราะฉะนั้นน้ํานี้ก็ไม่ได้จับว่าเป็นการลิกไหนแล้วก็ไม่ต้องประเค้นด้วยาน้ําเปล่าน้ําบริสุทธิ์ไม่ต้องประเค้นคือเอาฉันได้แต่ว่าขอน้ําจากคุณธรที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนปเปรานานี้ไม่ได้ ก็มีอบัตด้วยแต่ว่าน้ำที่ไม่มีเจ้าของนี่ให้นำมาได้ในบรรดาการิกเหล่านั้นในยาวาการิสโภชนะห้าคือข้าวสุกขนมสดขนมแห้งปลาเนื้อชื่อว่าโภชนะเว้นโภชนะห้าแล้วก็เว้นพวกยามาการิศสัตตาการิศยาวชีวิคที่เหลือก็ชื่อว่าขาดานิยนะพวกของเคี้ยวของฉันก็ได้แก่พวกผักผลไม้ต่างๆ ก็ในอาหารวัตถุที่เหลือชื่อว่าขาตรณิยะนี้มีวิริใัยดังต่อไปนี้ขาตริยะคือของขบเคี้ยวที่สําเร็จมาแต่ปุพานาชาตและอัปรนาชามีขนมต้มเป็นต้นไม่มีคําที่ควรจะกล่าวเลยวัตถุใดต่างโดยมีใบและรากง่าวเป็นต้นเป็นของมีคติอย่างอามิ t h นี้คือวัตถุแม่นี้คือ รากที่ควรเคี้ยวหัวที่ควรเคี้ยวเน่าที่ควรเคี้ยวยอดที่ควรเคี้ยวลําต้นที่ควรเคี้ยวเปลือกที่ควรเคี้ยวใบที่ควรเคี้ยวดอกที่ควรเคี้ยวผลที่ควรเคี้ยวเมล็ดที่ควรเคี้ยวแป้งที่ควรเคี้ยวยางเหนียวที่ควรเคี้ยวย่อมถึงการสงเคราะห์เข้าในขาธนิยะคือของที่ควรขบเคี้ยวทั้งนั้นก็ในมูละขาทนิยะเป็นต้นนั้น เพื่อกำหนดรู้ของควรเคี้ยวมีกติอย่างอามิตรจะชี้ให้เห็นพอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้พึ่อสร้างวิจัยในมูละขาดนิยักกรใบและรากที่ควรเป็นสู ป, ปะคือเป็นกับข้าวได้มีอธิ ย, อย่างนี้คือมูลละกะมูลขาระกะมูลจัดจุมูลตำพรกะมูลตันดุเล ย, ยะกะมูล วัตถุเลยกะมูลวัชะกะริมูลชัชชะริมูลมีคติอย่างอามิตรอันนี้ก็พวกรากที่เป็นมูลเหล่านี้ของไม้ต่างๆก็บรรดาคาร์จนิยะมีมูลละกะมูลเป็นต้นนี้ชนทั้งหลายตัดหัวอ่อนในวัชะกะริมูลคือหัวมันใหญ่ทิ้งหัวอ่อนนั้นเป็นยาวะชีวิต ร่างเง่าแม้อย่างอื่นเห็นปานนี้ก็พึงสราบโดยในนี้แหละท่านกล่าวไว้ว่าส่วนหัวของมูลกะขากร ะ, กะและชัดชริคือพวกเผือกมันมันอ่อนและมันเสาพวกตระกูลเผือกมันเนี่ยนะแม้ยังอ่อนก็มีคติอย่างอา mis เหมือนกันส่วนเพศสัตว์เหล่าใดาที่ตรัสไว้ในพระบาลีว่าดูก่อนพิจิตทั้งหลาย เราอนุญาตมู ล, ลเพสัชคือขมิน้นขิงว่านน้ำว้านเปลอกอุจพิษขา่าแฝกแห้วหมูก็หรือมูลและเภสัชแม้ชนิดอื่นใดบรรดามีที่ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวในของควรเคี้ยวที่ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภคดังนี้คือที่เขาไม่ได้ใช้บริโภคเป็นอาหารกันก็มาทําเป็นยาได้ เพศัสเหล่านั้นเป็นยาวะชีวิตเพศัตเป็นยาวะชีวิตเหล่านั้นเมื่อคํานวณ น, นับโดยในเป็นต้นว่าจูระเบนจมูลมหาเบนจมูลหมายถึงรากทั้งห้าเล็กและรากทั้งห้าใหญ่ไม่มีที่ตุดด้วยการ น, นับก็ภาวะคือความไม่สําเร็จประโยชน์แก่ขาธิญะและประโยชน์แก่โพธิยะนั่น แ, แลเป็นลักษณะแห่งมูลเพศัส ที่เป็นยาวะชีวิตเหล่านั้นก็คือเขาไม่ได้ใช้เป็นของเคี้ยวของกินไม่ได้ใช้เป็นอาหารใช้เป็นยานเพราะฉะนั้นรากเน่าชนิดใดชนิดหนึ่งสำเร็จประโยชน์แก่ขาธนิยะและประโยชน์แก่โพชนิยะของพวกมนุษย์เรื่มหน้าแห่งอาหารตามปกติในชนบทนั้นๆรากเน่า น, านั้นทึงทราบว่าเป็นยาวะตาลิกเพียงช่วการเที่ยงเท่านั้นไม่เกินเที่ยง รากเงานอกนี้พึงทราบว่าเป็นยาวะชีวิตก็คือเป็นยาได้ตลอดชีวิตถึงแม้พวกเราจะกล่าวให้ละเอียดมากไปก็จําต้องยืนยันอยู่ในลักษณะนี้แลแต่เมื่อจะกล่าวนามคือสัญญาเครื่องหมายชื่อนามสัญญานะคือกล่าวชื่อเทั้งหลายไว้ก็จะเป็นความปั้นเฟือหนักขึ้นแต่เราชนผู้ไม่รู้ชื่อนั้นๆ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงไม่ทําความเอื้อเฟื้อในนามสัญญาก็คือชื่อทั้งหลายแสดงไว้แต่ลักษณะเท่านั้นอันหนึ่งพึงทราบวินิจฉัยด้วยอํานาจแห่งลักษณะที่ได้แสดงไว้แม้ในหัวมันเป็นต้นนั้นแลเหมือนในรากเง้าฉะนั้นอันหนึ่งแม้ลำต้นเปลือก ด, ดอกและผลเป็นต้นแห่งเงาแปดชนิดมีขมิ้นเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดไว้ในพระบารีทั้งหมด ท่านก็กล่าวว่าเป็นยาวะชีวิตก็คือปัญญาในกันดะขาดานิยะก็คือหัวที่ควรเคี้ยวมีวินิจฉัยดังนี้หัวมันมีสองชนิดคือชนิดยาวมีเงาบัวและทองปลาเป็นต้นชนิดกลมมีหัวบัวและหัวกระจับเป็นต้นที่อาจารย์บางพวกเรียกว่าคันถีก็มีบรรดาหัวเหล่านั้นที่แก่และอ่อนของหัวสเกต และจำพวกรากฝอยแห่งหัวทุกอย่างจัดว่าเป็นยาวะชีวิตคือเป็นยาส่วนจำพวกหัวที่สำเร็จประโยชน์แก่ขาดานิยะและโพชนิยะของพวกมนุษย์ด้วยอำนาจอาหารกิจตามปกติในชนบทนั้นๆมีอธิอย่างนี้คือหน่อต้นขานางที่ยังอ่อนเคี้ยวง่ายหัวอ่อนต้นทองกวาวหัวต้นมะกอกหัวการะเกดหัวเถาย่านทราย หัวบัวหลวงและบัวขาวที่เรียกกันว่าเงาบัวหัวเถาวันมีเถาพวกและเถาหูกวางเป็นต้นหัวเคลือเขาหัวต้นมะรุมหัวตาลหัวบัวเขียวบัวแดงโกมุสและจงกณีหยวกกล้วยหน่อไม้ไท่หัวกระจับที่ยังอ่อนเขียวง่ายจัดเป็นยาวะการิกก็คือเป็นอาหารหัวเถากลอยคือเถาน้ำนม เผ่าเข้าสารก็ว่าที่ยังไม่ฟอกเป็นยาวะชีวิตคือเป็นยาที่ฟอกแล้วก็เป็นยาวะการิศคือเป็นอาหารส่วนหัวกระทือกระเมงหรือว่าไรกระชายรวมทั้งขิงและกระเทียมเป็นต้นเป็นยาวะชีวิตคือเป็นยาหัวเหล่านั้นทั้งสองเคราะห์เท่ากับมู ล, ละเพตัดนั่นแหลในพระบาลีอย่างนี้ว่า ก็หรือว่ามูละเปตัดเหล่าใดแะ อ, อย่างอื่นบรรดามีในมูลลาลขาดานิยะมีวินิชัยดังนี้เง่าบัวหลวงและเง่าบัวขาวเป็นต้นกับมูลขาดานิยะเง่าที่สมเร็จประโยชน์แก่ขาดานิยะและประโยชน์แก่โพชนิยะของพวกมนุษย์ด้วยอำนาจอาหารตามปกติในชนบทนั้นั้นมีอาทิอย่างนี้คือเง่าตะไครน้า เงาเถาคล้าอันนี้จัดว่าเป็นยาวะการิดก็คือเป็นอาหารส่วนเงาของขมิ้นขิงปอเผาสี่เหลี่ยมการะเจด ต, ตาลเต่าร้างต้นตาลมะพร้าวต้นมาเป็นต้นจัดว่าเป็นยาวะชีวิตก็คือเป็นยาเงาของสิ่งเหล่านี้นะเป็นยา ก้าวขมิ้นเป็นต้นแม้ทั้งหมดนั้นต่านสงเคราะห์เข้ากับมูลและเภสัชเหมือนกันในพระบารีอย่างนี้ว่าก็หรือว่ามูลเพะัภส์แม้ชนิดอื่นในบรรดามีในมัทธะขาตานิยมีวิริชัยดังนี้ยอดหรือว่าหน่อแห่งต้นไม้และทวันเป็นต้นที่สําเร็จประโยชน์แก่ขาตนิยมโภชนิยมของมนุษย์ด้วยอํานาจอาหารตามปกติในชนบทนั้นๆมีอธิอย่างนี้คือ ยอดที่เรียกกันว่าหน่อของตาลเ่าลางต้นตาลการาเกดมะพร้าวต้นมากอินทผารัมเป้งกว่าวายตะไครน้ำและกล้วยหน่อไม้ภัยหน่ออ้อหน่ออ้อยหน่อเผือกมันหน่อเมน็ดพันธุ์กากาทหน่อสามสิบและหน่อแห่งพันธุชาติเจ็ดชนิดจัดว่าเป็นยาวะกต์ลิฟต์คือเป็นอาหาร ส่วนพวกโคนรากอ่อนคือยอดอ่อนเป้งหน่อขมิน้นขิงว่านปลอะปอกระเทียมและหน่อตาลเต่าร้างต้นตาลมะพร้าวที่เขาตัดให้ขาดตกไปเป็นยาวะชีวิตคือเป็นยาในขันธะขาตนิยะมีวิฉัยดังนี้ลำต้นมีอาที์อย่างนี้คือลำต้นไม้ขานางลำอ้อย สายบัวเขียวบัวแดงโคมุดและจงกลนีที่อยู่ภายในปตพีที่สำเร็จประโยชน์แต่ขาดันิยะโภชนิยะของพวกมนุษย์ด้วยอำนาจแห่งอาหารตามปกติในชนบทนั้นๆจัดว่าเป็นยาวะตาลิศเป็นอาหารก้านใบแห่งบัวชนิดอุบลรชาชก็ดีก้านทั้งหมดแห่งบัวชนิดปทุมรชาชก็ดีและก้านบัวที่เหลือทุกๆอย่างมีก้านบัวหลวงเป็นต้น จัดเป็นยาวะชีวิตเป็นญาณในตัจขาดานิยะมีวิธีใช้ดังนี้เลือกอ้อยอย่างเดียวนั้นจัดว่าเป็นยาวะกาลิศก็คือเป็นอาหารเลือกอ้อยแม้นั้นยังเป็นของมีรสหวานอยู่เลือกที่เหลือทุกอย่างเป็นยาวะชีวิตเป็นญาณก็ยอดนาต้นและเปลือกทั้งสามนั้นพึงทราบว่าสงเคราะห์เข้ากับกะสาวะเถสัตในพระบาลี สมดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นี้ว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายเราอนุญาตกะสาวะเภสัตนั่คือน้ำฝาดที่เป็นยาได้แก่น้ำฝาดสะดาน้ำฝาดมูกมันหือว่าน้ำฝาดกระดอมถือว่ามูลกาน้ำฝาดบารเพชหรือพยามือเหล็ดน้ำฝาดกระถินพิมานก็หรือกะสาวะเภสัตแม้ชนิดอื่นใดบรรดามี ที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวในของควเคี้ยวที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภคอันนี้ก็จัดว่าเป็นยาหมดการสงเคราะห์ยอดลำต้นและเปลือกแม้เหล่านี้เข้าในพระพุทธานุญาตนี้ย่อมสำเร็จก็คือใช้ได้และจำพวกน้ำปลาที่กล่าวแล้วบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นของสมควรโดยประการทุกอย่างในปัตตคขานิยะมีวิธีใัยดังนี้ ใบทั้งหลายแห่งรุกชาติเหล่านี้คือเผือกมันลูกเดือยมันอ้อนและมันแดงมะพร้าบบุญนาคผักโหมหัดมันใหญ่ผักไห่หรือผักปลังมะขามไก่หรือมะกอกกระเพราถั่วเขียวจีนถั่วเหลืองถั่วราชมายอป่าที่เหลือเว้นยอใหญ่คือยอบ้านคนที่สอหรือว่าพังคี เบญจมาศกลุ่มขาวมะพร้าวชาเกลือเกิดบนดินและใบไม้เหล่าอื่นเห็นปานนี้ที่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวและใบไม้เหล่าอื่นเห็นปานนี้ที่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวและสําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคของพวกมนุษย์เพื่ออํานาจอาหารตามปกติในเชนบทนั้นๆจัดเป็นยาวะากาลิกคือเป็นอาหารโดยส่วนเดียว แต่ชาเกลือมีใบขนาดเท่าหลังเล็บเขื่องๆแม้อื่นใดเลื้อยบนต้นไม้หรือพุ่มไม้พวกอาจารย์ชาวเกาะคือชาวชมพูทวีปหรือว่าชาวดังกาทวีปกล่าวใบชาเกลือนั้นว่าเป็นยาวะชีวิตและใบพรมมีว่าเป็นยาวะกาลิคนั้นใบชาเกลือนี้ก็เป็นยานะยาวัชีวิตส่วนใบพรมมีเป็นยาวะกาลิกคือเป็นอาหาร ใบมะม่วงอ่อนเป็นยาวะการิตคือเป็นอาหารใช้จิ้มน้ำพริกอะไรต่างๆได้ส่วนใบอโศกอ่อนเป็นยาวะชีวิตคือเป็นยาก็หรือใบอื่นใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระบาลีว่าดูก่อนพิกิุรทั้งหลายเราอนุญาตปันณะเทศสัตว์คือใบไม้ที่เป็นยาคือใบสะดาใบมูกมันใบกระดอมหรือกระเพราหรือแมงรักใบฝ้าย ก็หรือปัญณาเภทัดแม้ชนิดอื่นใดบรรดามีที่ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวในของควรเคี้ยวแก่ของควรบริโภคในของควรบริโภคดังนี้ใบเหล่านั้นเป็นยาวัชชีวิตและไม่ใช่แต่ใบอย่างเดียวแม้ดอกและผลของสดาวเป็นต้นเหล่านั้นก็เป็นยาวัชชีวิตเหมือนกันแต่ว่าที่เขเอาไปทําเป็นใบสดานา้ำปลางหวกหรออะไรนั้นกินกับข้าวเนี่ยนะมันก็จัดว่าเป็นอาหาร จำพวกใบที่เป็นยาวัชีวิตจะไม่มีที่สุดด้วยการนับอย่างนี้ว่าใบกระดอมหรือว่ามูกมันใบตะดาวหรือบอระเพ็ดใบแมงรักหรือว่าไ อ, อช้างใบตะไคร้หรือว่าผักคล้าใบพลูใบบัวใบที่เป็นยานี้มากมายแยะไม่มีที่สุดเลยในปุปผะขาดานิยะมีเวนิฉัยดังนี้ ดอกที่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวและที่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคของหมู่มนุษย์เรื่อนหน้าแึงอาหารตามปกติในชนบทดังนั้นเมียที่อย่างนี้คือดอกเผือกมันดอกลูกเดือยดอกมันอ่อนดอกมันแดงดอกมะพลัาหรือว่าดอกมันใหญ่ดอกผักโหมหัดดอกผักไทยดอกยอปาดอกยอใหญ่หรือว่ายอบ้านดอกกระจับ ดอกอ่อนของมะพร้าวตาลการะเกตหรือว่าลำเจียกดอกกลุ่มขาวดอกมะรุมดอกบัวชนิดอุบลและประทุมดอกกันิกาดอกไม่มีกลิ่นคือดอกคนทิสอดอกฉบาหรือว่าดอกทองหลามดอกเทียนขาวพวกนี้จัดว่าเป็นยาวะคคลิศก็คือเป็นอาหารส่วนดอกของพวกรุกขชาติเช่น อโศกพิกุลกระบาวบุญนาจำปาชาติบุตรฉบากณนนิกาคล้าหรือว่าตาเรียมาริวันมาริอนเป็นต้นอันนี้เป็นยาวะชีวิตคือเป็นยาดอกไม้ที่เป็นยาวชีวิตนั้นไม่มีที่สุดด้วยการนับแต่ผู้ศึกษา พ, พึงทราบว่าสงเคราะห์ดอกไม้ที่เป็นยาวะชีวิตนั้นเข้ากับกับาวะเภทในพระบาลีนั่นแหล ในพละขาดานิยะมีวิจัยดังนี้ผลไม้ทั้งหลายมีขนุนขนุนสมนัมรอตาลมะพร้าวมะม่วงชมพู่มะกอกมะขามมะงวมะกิดน้ำเต้ามกเขียวผลแตงไทยมะพร้าวแตงโมมะเขือหรือว่ามะแวง้งกล้วยมีเมล็ดกล้วยไม่มีเมล็ดและมะส่างเป็นต้นและจำพวกผลไม้ที่สำเร็จประโยชน์แก่ของคนเที่ยว และที่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคของหมู่มนุษย์ด้วยอาหารตามปกติในชนบทนั้นๆในโลกทุกๆอย่างเป็นยาวะกาลิกคือเป็นอาหารทั้งหมดและด้วยอํานาจการนับชื่อใครๆก็ไม่อาจจะแสดงผลไม้ที่เป็นยาวะการิกเหล่านั้นให้สิ้นสุดได้ก็แลผลเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระบาลีว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราอนุญาตพละเทศัดคือผลไม้ที่เป็นยา ได้แก่ลูกที่หลังกาสาดีปลีพลิกสมอไทยสมอพิเพศมะขามป้อมผลโกดก็หรือผลเภสัต์ชนิดอื่นใดบรรดามีที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวในของควรเคี้ยวที่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภคดังนี้ผลเหล่านั้นเป็นยาวัชีวิตแม้ผลไม้ที่เป็นยาวะชีวิตเหล่านั้นใครๆก็ไม่อาจจะแสดงให้สิ้นสุดลง ด้วยอำนาจแหงชื่ออย่างนี้คือพวกผลแห่งมาไฟหรือว่าเรียกว่าลูกเข็มลูกใสหรือตําลึงการระเกดหรือว่ารำเจียบไข่เน่าหรือว่าเรียกว่ามมตูมุกเป็นต้นที่ยังไม่สุกลูกจันเทศลูกขาหรือว่าพิษกระวานใหญ่กระวานเล็กพวกนี้นะจัดว่าเป็นยาหมดในอฐิขาดานิยะมีวิธีฉัยดังนี้ เมล็ดทั้งหลายมีอาที่อย่างนี้คือเมล็ดถนุนอมรอเมล็ดถนุนเมล็ดมะกอกเมล็ดถูกวางเมล็ดของผลที่ยังอ่อนแห่งจําพวกอินทผารัมหรือว่าเรียกว่าเป้งการะเกดหรือว่าดําเจียบมะพล้าเมล็ดมะขามเมล็ดตำเลิงเมล็ดตะคล้อเมล็ดบัวคือลุกบัว ชนิดอุบลและปฐุมที่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี้ยวและที่สําเร็จประโยชน์แก่ของคนบริโภคเรื่มหน้าถึงอาหารตามปกติในหมู่มนุษย์ในชนบทนั้นๆจัดว่าเป็นยาวกาลิศ ค, คือเป็นอาหารมเมล็ดมีอาทีอย่างนี้คือมเมล็ดมะซางมเมล็ดบุญนาคเมล็ดจําพวกสมอไทยเป็นต้นมเมล็ดพันผักกาดเมล็ดผักชีล้อมจัดว่าเป็นยาวะชีวิตคือเป็นยา มน่อนที่เป็นยาวะชีวิตเหล่านั้นผู้ศึกษาเึิงทราบว่าสงเคราะห์เข้ากับผลเทศัตในพระบาลีนั่นแหลในปิตาคาเปนิย ม, มีวิริชัยดังนี้แป้งทั้งหลายมีอธิอย่างนี้คือแป้งแห่งธั ญ, ญชาติเจ็ดชนิดและแป้งแห่งอปรณชาติที่อนุโลมตามธั ญ, ญชาติก็คือมีพวกแป้งขนุน แป้งขนุนสำหรรอแป้งมะกรอกแป้งหูกวางแป้งตาลที่ฟอกแล้วแป้งหัวกลอยหรือว่าเผาน้ำน ม, มเผาข้าวสารเนี่นะที่สําเร็จประโยชน์แต่ของควรเคีย้ยและที่สมเร็จประโยชน์แต่ของครวรบริโภคแห่งหมูมนุษย์เนื้อหน้าแห่งอาหารตามปกติในเชนบทนั้นๆอันนี้จัดว่าเป็นยาวะการลิฟก็คือเป็นอาหารแป้งตาลที่ยังไม่ได้ฟอกแป้งหัวกลอยหรือว่าเผาน้ำนม แ้งต้นฟ้าเป็นต้นที่ยังไม่ได้ฟอกจัดว่าเป็นยาวชิีวิตคือเป็นยาแป้งที่เป็นยาวชิีวิตเหล่านั้นผู้ศึกษาบึงทราบว่าสงเคราะห์เข้ากับพวกน้ำป่าและพวกรากผลในกระบาลีในนิยาสขาดนิยมีวินิจฉัยดังนี้ยางอ้อยก็คือน้าอ้อยที่เป็นตังเมยางเดียวเป็นสัตตาหะคาลิก อย่างที่เหลือซึ่งตรัสไว้ในพระบาลีอย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูุน ต, ตั้งหลายเราอนุญาตชตุเภสัชคือยางไม้ที่เป็นยาคือหิงคุยางเขี่ยวจากหิงคุยางเที่ยวจากเปลือกหินคุยางจากยอดต้นตะกะกรรมยานก็หรือชะตุเภสัชชนิดอื่นใดบรรดามีดังนี้อันนี้จัดว่าเป็นยาวชีวิตเป็นยา ใครๆก็ไม่อาจจะแสดงชตุเภสัตที่ตั้นสงเคราะห์ด้วยเยวาปนกนัยก็คือในที่ยังเหลืออยู่ในพระบารีนั้นให้สิ้นสุดโลงเดิมหน้าแห่งชื่ออย่างนี้คื อ, อยางมะม่วงยางกา น, นิกาเป็นต้นบรรดาขาดนิยะมีมู ล, ลขาดัณยะเป็นต้นเหล่านี้ดังกล่าวมานี้ยาวากาลิชนิดใดชนิดหนึ่งแม้ทั้งหมดท่านสงเคราะห์เข้าในอัตนียว่าที่เหลือชื่อว่าขาดนิยยา คือของควรเคี้ยวทั้งนั้นเลยสําหรับอย่างอ้อยเงี้ก็คืออ้อยที่ เ, าเอาไปเคี่ยวเป็นตังเมอันนี้ก็จัดว่าเป็นสัตตาการิส ก, ก็คือฉันได้นเจ็ดวันแม้กระทั่งน้ําอ้อยน้ําอ้อยจะส ด, ดที่เขาเพิ่งจะคั้นมาจากลําต้นก็เก็บเออได้เจ็ดวันเหมือนกันไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่เป็นน้ําปานะเพราะน้ำปานะอันทำมาจากผลไม้อันนี้ทำมาจากต้นอ้อยจัดว่าเป็นน้ำอ้อยสดหรือว่าจะเป็น น้ำอ้อยงบก็ตามหรือว่าจะเป็นยางอ้อยก็ตามอันนี้ก็เป็นสัตตาการิกคือเก็บไปได้เจ็ดวันอันนี้ก็เป็นยาวะการิกคืออาหารแต่ว่าแสดงเรื่องยาวะชีวิตก็คือสิ่งที่เป็นยาไปด้วยวันนี้ก็บทดเวลาเพียงแค่นี้ขอท่านทรงพระวินยัยมีจิตน้มน้อมอ่นเอ็นไปในพระนิพพานโดยอาศัยพระวินยัยคือศีลนั้น เป็นฐานเพื่อให้จิตสงบไร้รงับตั้งมั่นจะได้รู้เห็นสภาพธรรมะก็คือสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุสาธุ